สุดท้ายของธรรมยาราครั้งที่17เจก็มาถึงอีงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะธรรมยารา <c oughs> ก็จะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ <c oughs> หลายคนอาจจะจำถึงความรู้สึกวันแรกๆได้นะว่าแต่ละวันแต่ละวันนะที่เดินธรรมยารานี่มันผ่านไปอย่างชื่องช้า โดยเฉพาะช่วงที่เราเดินกลางแดดมันเร็วเหลือเกินนะแต่เวลาเดินเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้าหลายคนก็อาจจะเดินนับวันหรือนั่งนับวันแล้วก็คงรู้สึกว่ายิ่งนับวันเวลาก็ยิง ผ่านไปอย่าง เ, อ, เอือยเฉยจำเป็นตอนนี้เนี่ยเมื่อเรามองย้อนกลับไปเวลามันผ่านไปเร็วดูเหมือนเมื่อวานหรือเมื่อวานซือนี่มัง้งในความรู้สึกนะที่อาตมาได้พูดที่ผู้หลง ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงธรรมยาราก็จะเริ่มต้นขึ้นก้าวแรกของธรรมยาราข้อที่77ช่องที่1 7นะกำลังจะเริ่มในไม่นานนั่นคือเมื่อทิศทีแล้วนะแต่ว่าพอเรามองย้อนกลับไปความรู้สึกคงจะมีความรู้สึกเพราะว่ามันเพิ่งเมื่อเมื่อวานเมื่อวนันศุนนี่เอง อีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะเราก็จะแยกย้ายกันและกลับสู่ภูมิลงเนากลับสู่บ้านของเรากลับสู่คนรักของเราที่กำลังคอยเราอยู่ อ, อย่างที่อาจารย์ประมวลได้พูดเอาไว้เมื่อวานนะว่าแม้ธรรมญาตรานะจะสิ้นสุดนะแต่ก็ขอให้ชีวิตเรา อาการยังเป็นการเดินธรรมยาตตราอยู่ในการสิ้นสุดของธรรมยัตตรานะขอให้เป็นการสิ้นสุดเพียงแค่การเดินจากต้นน้ำลำปทาวสู่ปากตกแต่ก็ขอให้ธรรมยัตรา ในชีวิตของเรายังคงดำเนินต่อไปอย่าให้สิ้นสุดนะที่นี่จะขอให้ดำเนินต่อไปเราคงจำสำนวนที่กล่าวว่าชีวิตคือการเดินทางได้ชีวิตคือการเดินทางเป็นการเดินทางที่ยาวไกลนะกว่าที่เราเดินในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมา การเดินธรรมยาติาในช่วงเจ็ดแปดวันที่ผ่านมาจะไม่สูญเปล่าถ้าว่าเราพยายามทำให้การเดินการดาเนินชีวิตของเรานับแต่นี้ไปนะเป็นธรรมยาติาด้วยหรือว่าเป็นธรรมยาติาต่อไปเพราะบางคนก็พยายามใช้ชีวิต ให้เป็นธรรมญาติยาอยู่แล้วก่อนที่จะมาถึงที่นี่ก่อนที่จะมาร่วมเดินนะกับพวกเราแต่ถ้ายังไม่ได้คิดนะก็ขอให้นะพยายามทําให้ชีวิตของเราตั้งแต่นี้ต่อไปนะเป็นธรรมญาติยาธรรมญาตร า, ร า, ตรานะครั้งที่สนะิบเจ็ดมันมีวันสิ้นสุดนะแต่ว่าชีวิตที่มันเป็นธรรมญาติยาเนี่ย แจะยังคงดำเนินต่อไปหลังจากนั้นจะยังไม่สิ้นสุดง่ายๆแต่ว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้หลายอย่างนะในระหว่างเจ็ดแปดปันที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถจะมาใช้กับชีวิตของเรานับแต่นี้ต่อไปเพราะว่าธรรมยาตรา ที่เราเพิ่งนะได้เดินมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นภาพจำลองของชีวิตจริงของเราทุกคนมันเป็นภาพจำลองแบบ ย, อย่อๆที่คนเราเนะอายุปดวยเฉลี่ยก็เจ็ดสิบธรรมยตราตาครั้งที่สิบเจ็ดก็เจ็ด เจ็ดวันเจ็ดคืนมันเป็นภาพย่อเป็นภาพจำลองสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันจึงสามารถจะเอามาใช้นะกับชีวิตจริงของเราเมื่อวานนี้ตอนค่ำเราก็ได้ทบทวนเราก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนนะ เกี่ยวความรู้สึกและบทเรียนหรือแม่คิดที่ได้จากธรรมยถ า, าถ้าขอให้ประรึกตดจําแล้วก็หมั่นทบทวนเพราะว่ามันจะมีความหมายนะต่อการดําเนินชีวิตของเราโดยเพราะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราเป็นธรรมยถ า, าต่อไปคือเป็นการเดินทางธรรมเดินบนเส้นทางแห่งธรรมะหลายคน ผงได้แบ่งปันหรือได้รับรู้ถึงความรู้สึกของตัวเองช่วงก่อนที่จะมาเดินหรือช่วงที่เดินวันแรกๆว่าไม่แน่ใจว่าจะเดินถึงไหมเนี่ยถึงจุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะเดินได้ครบเส้นทางหรือเปล่ามีความกังวลนะในอุปสรรคต่างๆที่รอยอยู่ข้างหน้า อีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะยังไม่เคยมันเป็นของใหม่ของที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่ก็อย่างที่นัฐธรรมได้เคยกล่าวไว้นะสามสี่วันที่ผ่านมาว่าโดยอ้างถึงคำพูดของน้าปีนเขาคนหนั่นนะชูบลูสเพิรกบีที่เขบอกว่าทุกอย่างมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกล เมื่อเราอยู่ีนเขาลรามองไปที่ยอดเขาซึ่งเป็นจุดหมายเราจะส่วนมันยากลำบากมากน่ากลัวน่าวิตกกังวลหรือเมื่อเรามองจากภูห ล, ลงตรงลงมายังปากตกระยทางร้อยยี่สิบกิโลเราคงจะจินตนาการถึงความทุกข์ยากลำบากต่างๆ แร้วเขาถามให้เราพอยกังวลพลอยวิตกว่าเราจะทําได้ไหมแต่พอเราลงเดินจริงๆนะแต่ละวันแต่ละวันเราก็จะพบว่ามันไม่ได้นา่ากลัวอย่างที่คิดและที่สําคัญคือว่าเราทําได้ความไม่มั่นใจความวิตกกังวลก่อนที่จะออกเดินหรือขณะที่เริ่มเดินเนี่ย มันเกิดจากสองอย่างหนึ่งการนึกปรุงแต่งกินตนาการถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็เลยทำให้กลัวสองความไม่มั่นใจในตัวเองเพราะยังไม่เห็นศักยภาพของตัวเองแต่พอเราเดินไปเดินไปนะยิ่งทัาใจเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ย ความวิตกกังวลในสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จ ะ, ะเบาบางลงคณะเดียวกันเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมั่นใจเพราะอะไรเพราะว่าเราได้มีประสบการณ์จากการเดินเดินวันแรกก็มั่นใจขึ้นนิดหน่อยพอเดินวันที่สองก็มั่นใจมากขึ้นประสบการณ์ที่ผ่านมา แม้จะเหนื่อยยากลําบากแต่มันทําให้เรามีความมั่นใจในเกวงมากขึ้นอย่าใ้เราเก็บความมั่นใจในตัวเองเป็นถึงศักยภาพของตัวเองเอาไว้อย่าให้มันจบนะหรือสิ้นสุดที่นี่เรายังมีความสามารถนะที่จะทําอะไรได้อีกมากที่ยากยิ่งกว่านี้ได้อย่าท้อตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มนะ อย่าถอยตั้งแต่ยังไม่ทันก้าวเดินหลายคนรู้สึกว่ามั่นใจตืันมากขึ้นนะหลังจากที่ได้มาเดินธรรมยาตราและอาตมาก็เชื่อว่าเราจะมั่นใจในตืันมากขึ้นเมื่อเรากล้าที่จ ะ, ะเผชิญหรือเข้าหาอุปสรรคนโะดยที่ไม่คิดปรุงแต่งไปล่วงหน้าว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้ อะไรที่ยังมาไม่ถึงนะก็อย่าเพิ่งไปกังวลกับมันเตรียมการเอาไว้ก่อนจนะดีนะแต่ว่าอย่า ก, กังวลอย่าไปกลัวใครเดียกันก็ไม่ประมาทนะหลายคนได้พบกับความสุขในระหว่างเดินธรรมยถาตราทั้งที่เส้นทางก็เต็มไปด้วยความลําบากนเะต็ไมไปด้วยอุปสรรคปัญหาเหนื่อยเมื่อยลา้า แต่ก็ยังสามารถจะมีความสุขกับการเดินหรือกับการอยู่บนเส้นทางได้อันนี้สำคัญมากเลยนะคนมาคิดว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้มันต้องสบายแต่ความสบายกับความสุขนี่มันมันไม่เหมือนกันมันคนละอันอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึงที่อาจารย์ประมวลได้พูดไปแล้ว แต่ประมวลบอกว่ามีความสุขที่เหนื่อยจากการเดินทางมีคนถามอาจารยะมวลว่าเหนื่อยไหมอาจารย์ตอบว่าผมมีความสุขที่ได้เหนื่อยจากการเดินทางและความสุขไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดจากความสบายอย่างเดียวสบายแต่ไม่สุขก็ได้นะอาจจะสุขกายแต่ไม่สุขใจแล้วความสุข บนเส้นทางธรรมยาตเนี่นะบางครั้งมันก็ไม่ได้เกิดจากการที่เราได้เสพของอร่อยๆ ไ, ได้กินของดีๆนะแต่มันเกิดจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็ทำได้สำเร็จก็มีความสุขแต่ต่อไปเราจะพบว่าถึงแม้ไม่สำเร็จ แต่ก็มีความสุขที่ได้ทำอันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปรอไปรอความสุขเมื่อมันสิ้นสุดหรือเมื่อมันสาเร็จรอความสุขเมื่อการเดินธรรมยาตาสิ้นสุดในแต่ละวันหรือเมื่อถึงจุดพักหรือว่ารอมีความสุขเมื่อทาสาเร็จแต่ต่อไปเราจะพบว่าแม้ไม่สาเร็จหรือแม้ยังไม่ถึง ก็ยังมีความสุขได้ซึ่งหลายคนก็อาจจะมาถึงจุดนี้แล้วก็ได้มีความสุขระหว่างเดินแม้ว่าแต่จะร้อนทางจะไกลายถนนจะขรกขระนะความสุขมันไม่ได้เกิดจากการเสพหรือว่าการมีการได้เสมอไปนะที่มันดีกว่านั้นประเสริญนะั่นคือความสุขที่เกิดจากการทําแม้จะยากนะและไม่มีความสําเร็จนะ แต่ว่าก็ยังมีความสุขได้พาะมันสุขมีความสุขระหว่างที่ได้ทำระหว่างที่ได้เดินถ้าเรารู้จักแล้วเข้าถึงความสุขชนิ ด, น, ดนี้เนี่ยเราจะไม่กลัวความยากลาบากอีกต่อไปแ ล, อและเราจะไม่กลัวความล้มเหลวด้วยซ้ํเพราะความล้มเหลวมันเกิดขึ้นทีหลังที่เราได้ทำแล้ว แต่เมื่อเรามีความสุขจากการทํำนะมันจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็สุขที่ได้ทำแนละ้วก็มือการเรียนหนังสือนะหลายคนก็ยังเป็นนักเรียนอยู่บางคนเป็นนักศึกษาแต่สําเร็จปีสได้ป ร, ริญญาหรือไม่เนี่ยมันไม่สำคัญทักระว่าเราเรียนยจงมีความสุขหรือเปล่าหลายคนรอความสุขเมื่อเรียนจบเมื่อได้ป ร, ริญญาหรือว่าสุขเมื่อได้ปิดเทอม แต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขมันไม่ได้ที่ปลายทางความสุขมันอยู่ตลอดเส้นทางเลยลนเส้นทางนั้นจะลำบากตัวเมืนอย่างที่เราได้เดินธรรมยตาเนี่ยเส้นทางมันลำบากก็จริงนะแต่ว่ามันก็มีความสุขให้เราเก็บเกี่ยวไม่ใช่เฉพาะสองข้างทางบนฟ้าที่มีเมฆใสเมฆขาวหรือฟ้าใสแต่ว่า มันมีความสุขได้จากการก้าวเดอดแต่ละขณะแต่ละขณะได้ด้วยถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นหลายคนก็คงจะได้พบอย่างที่อาตมาได้พูดเอาไว้นะว่าจริงๆแล้วความสุขมันเป็นเรื่องง่ายความสุขไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเมื่อวานนี้ก็เห็นมีคนหนึ่งใส่เสื้อมีข้อความว่า stay simple stay simple งันว่า ให้อยู่อย่างาง่ายๆหรือว่าให้อยู่แบบเรียบง่ายให้มีช interview interview ีวิตแบบเรียบง่ายหรืออยู่อย่างง่ายๆชีวิตแบบเรียบง่ายเกิดขึ้นได้นเพราะว่าเราสามารถจะหาความสุขจากสิ่งง่ายๆได้ไม่ต้องไปไม่ต้องมีเงินมากไม่ต้องมีรถมีบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องไปเที่ยวพารากอนนะหรือไปไกลถึงไปเที่ยวไกลถึงต่างประเทศก็ได้มีเงิน พอประมาณแต่ก็มีความสุขได้เพราะเราสามารถจะเข้าถึงจากความสุขที่มันง่ายๆชิดพอเพียงชิตที่เรียบง่ายมันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่พบว่าความสุขมันเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสพไม่ต้องปีนกับปีนบันไดฟังดนตรีสูงๆเราก็มีความสุขได้นะจากธรรมชาติที่อรอบตัวจากเสียงนกที่ร้องนะ หรือว่าจากการที่ได้ชื่นชมธรรมชาติพระอาทิตย์ตกนะพระจันทร์พระจันทร์ที่มันสว่างเต็มดวงหรือว่าจากการที่ได้สนทนาพูดคุยกับเพื่อนๆการได้นั่งในร่มไม้มีลมพัดเบาๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วโดยเฉพาคนในเมืองเพราะว่า ประสบการณ์แบบที่เรานั่งอยู่ริมบึงในร่มไม้แล้วมีลมพัดเบาๆมากระทบตัวเนี่ยอย่างเมื่อวันซื่นมันกลายเป็นเรื่องยากสําหรับคนเมืองไปซะละนั่นก็ไปเพราะเราทําชื่อให้ยากเองแต่พอเราทำมาช่วให้มันง่ายเนี่ยไอ <c oughs> สิ่งง่ายๆก็ไอสิ่งยากๆกกัาไเปสิ่งที่ง่ายขึ้นมา ให้ลองทบทวนประสบการณ์นะไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกร้ายหรือดนะีตลอดธรรมยาตตรานี่แล้วก็ไปใชนะ้กับชีวิตจริงของเราชีวิตประจำวันของเร า, รเรานับแต่นี้ไปและที่สำคัญอย่างหนึ่งนะสำคัญมากๆเลยก็คือว่าวิธีการรับมือนะ กับความทุกข์ความยากความลำบากความร้อนเหนื่อยเมือ่อยปวดซึ่งเรียกรวมๆว่าความทุกข์ <c oughs> เวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราควรทำซึ่งก็ได้เคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่า อย่าซ้ําเติมตัวเองเมื่อความทุกข์เนี่ยมันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยอย่าซ้ําเติมตัวเองแม้ของจะหายนะแต่จะร้อนกายจะเหนื่อยเราอย่าทําให้ใจเราเป็นทุกข์ไปกับสิ่ง น, นั้นด้วยถ้าเราไปให้ใจเราโกรธโมโห เพอแท้เบื่อนายหงุดหงิดขัดเคืองอะไรอววรเศร้าโศกเสียใจนั่นแสดงว่าเรากำลังทำร้ายตัวเองเรากำลังซ้ำเติมตัวเองเหนื่อยกายไม่พอพยังปล่อยให้ใจเป็นทุกข์หรือเหนื่อยไปด้วย ท้องหิวนะไม่พอนะยังปล่อยให้ใจเนี่ยมันหิวไปด้วยเจ็บที่เท้าไม่พอนะยังปล่อยให้ใจมันเจ็บมันทุกไปด้วยทําอย่างไรถึงจะไม่ซ้ำเติมตัวเองเมื่อเจอทุกนะก็อยากจะย้ำนะว่าสิ่งแรกคือยอมรับสภาพที่มันเกิดขึ้นยอมรับความจริงซะก่อน อย่าบน่นวอยวายตีโพลตีภายหรืออดครวนทำไมต้องเป็นฉันทำไมมันถึงเกิดมันไม่น่าเกิดเลยไอ้คบว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเนี่ยมันสามารถทำให้กลายเป็นคำพูดที่ซ้ำเติมตัวเราเองได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับก่อนแต่ไม่ได้แปลว่ายอมจำนน คนรอบข้างหรือโรครอบตัวเนี่ยมันไม่สามารถจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือปรารถนาได้ทุกครั้งไปแต่ถึงแม้มันจะไม่เปลีปย่ยนแปลงที่เราคาดหวังแต่ว่าอย่างน้อยถึงที่เราทําได้คือว่าดูแลใจของเราให้ดีเรามักเรียกร้องให้คนนั้นคนนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมเขาไม่พูดดีกับเราทําไมเขาไม่ เออยู่อย่างง่ายๆแต่เราไม่เคยเรียกร้องหรือถามตัวเองว่ า, าทำไมเราต้องทุกข์ต่อการกระทําของเขาด้วยเรามักจะหงุดหงิดราคาญที่เจอคนขี้บน่นแต่เราไม่เคยถามตัว เ, เราเองเลยว่าแล้วเมื่อไหร่เราจะหยุดบ่นสักทีสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่การเรียกร้องคนอื่นเป็นแปลงที่เราปรารถนาแต่ว่ากลับมา การทิจใจของเราเริ่มต้นด้วยการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อน yeah. เลิกบนเลิกโวยวายตีโพยตีพายแล้วเราจะพบว่าความทุกข์มันลดลงไปเยอะความทุกข์ใจเกิดจากจิตที่มันดิน้นไม่ว่าดิ้นเพื่อจะเอาหรือดิ้นเพื่อจะผลักออกไปให้ไปไกลหรือดิ้นเพราะอึดอัดั ด, ดเคืองซึ่งก็เป็นโทสะชนิดหนึง่ง แต่พอเรายอมรับได้เนี่มันดุดดิ่นเลยมันนิ่งพอจิตมันนิ่งเนี่ยมันสงบ ก, กายยังป่วยอยู่ยังเหนื่อยอยู่นะของหายก็ยังไม่ได้คืนนะแต่ว่าใจมันสงบแล้วรถติดมันยังคงติดอยู่นะแต่ว่าเราไม่หงุดหงิดละเพราะเรายอมรับได้เออมันก็เป็นอย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองเราหยยอมรับความจริงแล้วนะการ เราจะยอมรับความจริงได้ส่วนเพราะเราเนี่ยนะไม่ปล่อยใจให้มันไปอยู่กับอนาคตไม่ปล่อยใจให้ไปปรุงแต่งสิ่งต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะการที่ใจเรามันไปอยู่กับอนาคตไปอยู่กับไปจมอยู่การสร้างภาพข้างหน้าว่าจะต้องเป็นอย่างวี้อย่างเงี้มันทำให้เราทุกข์ทำให้เราวิตกกังวลทำให้เรากลัวทาให้เรางหงุดหงิดแต่พอเราพาจิตกรรามาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะแต่เป็นว่าอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําในปัจจุบันข้างหน้ามันเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีมันก็ที่เราเดินเราใส่ใจกับการเดินส่วนจุดหมายปลายทางข้างหน้าเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่ไม่เอาม า, าเป็นเครื่องวิตกทังวลมันจะถึงหรือไม่ก็เรื่องของมัน แต่ว่าเราก็จะเดินแล้วก็เดินอย่างมีความสุขให้ได้อาจารเสเชิดจันท์ประมวลบอกว่าเนี่ยเดินแต่ละก้าวนะตั้งใจจะเดินแต่ละก้าวด้วยจิตใจที่เบิกบานไม่ใช่จะเดินให้ถึงคนคนที่เดินไม่เป็นเนี่ยเดินเพื่อจะถึงถึงอะไรถึงจุดหมายปลายทางแต่คนที่เดินเป็นเนี่ยเขาจะเดินอย่างมีความสุขทุกขณะ กะเรวเดินเพื่อเดินก็ได้ไม่ใช่เดินเพื่อถึงให้มีสติรู้ใจของเราก้าวเดินไปข้างหน้าก็จริงแต่ว่าอย่าลืมกลับมาดูใจกลับมารู้กายในขณะที่เดินอันนี้เราเห็นกายเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ใจเมื่อมันคิดนึกปรุงแต่งถึงอดีตนึกถึงอดีตหรือปรุงแต่งอนาคตนะเช่นกันนะถ้าเราทางานนี่ ในชีวิตประจําวันของเราหรือทาแล้วก็ตามเนี่ยเรามีสติอยู่กับปัจจุบันทําอะไรนะก็รู้กายว่า ก, กาลังทำมีอะไรมาก็ทบทําให้ใจกระเพื่อมก็รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้ฟังเพลงที่เปิดเมื่อวานบ้างไหมเนี่ยที่ว่ามีตอนนึงว่าหัวใจโปร่งเบาเพราะรู้เท่าทันอารมณ์หัวใจโปร่งเบาเพราะรู้เท่าทันอารมณ์ อารมณ์มันเกิดขึ้นเมื่ อ, อไหร่เมื่อเมื่อเจอหรือเมื่อไม่สื่อมากระทบเจออะไรนะพอใจมันกับเพื่อนก็ให้รู้ทันนะอันนี้ก็คือการใช้สตินะเพื่อที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เพราะว่าความทุกข์ใจมันก็จากความคิดปรุงแต่งและอารมณ์ที่เกิดขึ้นตามมาตรอไปมันคลองใจนะก็เสร็จนะแต่พอเรามีสติรู้ทันะ ความคิดลบอารมณ์ร้ายมันก็คลายไปหัวใจก็โปร่งเบาสบายกายยังเหนื่อยอยู่แต่ใจเป็นปกติแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีของคนที่รักตัวเองนะรักตัวเองก็จะไม่ซ้ำเติมตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองกายเหนื่อยบางทีมันก็จำเป็นนะเพราะว่ามีภารกิจต้องทำกายรอ น, นี่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าดวงอาทีตนี่เราควบคุมมันไม่ได้ ได้แต่หวังว่าจะมีโชคมีเมฆมาบังบ้างอย่างเมื่อวานเนี่ยแต่ถ้าไม่มีนะก็จะไปวยวายกับมันทำไมก็กลับมาดูใจมีสติรู้ทันบางคนก็ใช้สมาธิอาการเดินก็ทำให้ใจไม่ทูกใจไม่ร้อนอันนี้ก็มาใช้ได้กับการทำงานของเราการดาเนินชีวิตประจำวันของเราด้วยเหมือนกัน เรายอมรับยอมรับความจริงโดยไม่ยอมจำนวนไม่ยอมพ่ายแพ้ไม่ทอถอยมีสติพาใจกลับมาอยู่กับบันฑอยู่กับปัจจุบันรู้ท้อทันความคิดนึกนะหรือมีสติตอดหรือมีสมาธิตอดจอนะอยู่กับสิ่งที่เราทําอันนี้ก็ทําให้ชื่อเรามันเป็นธรรมญาตราได้นะทําทุกอย่าง อย่างมีสติเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําทําทีละอย่างอันนี้เป็นวิธีการฝนะึกสติในชีวิตของเราได้ทำอะไรก็ทําทีละอย่างจะทําหลายอย่างพร้อมกันเดินก็เดินไม่ใช่เดินไปคุยไปนะนนเวลาเราใช้เนี่ยเทคนิคเนี่ยกับชีวิตประจำํำวันของเราก็ได้กินข้าวก็ให้มีสติมีความสึกตัวนะ อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็ให้มีสติด้วยการทำทีละอย่างไม่ต้องคิดนึกอะไรไม่ต้องบ่นโวยวายตีโพยแลให้ใจอยู่กับปัจจุบันมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาทำด้วยใจเต็มร้อยนะแล้วก็มันรู้สึกตัวบ่อยๆยใครที่ได้ลองใช้วิธีนี้กับธรรมญาตาก็จะพบว่าเออมันเดินได้สบายขึ้น เดินก็เดินด้วยใจเต็มร้อยนะไม่ไม่แบ่งไม่แบ่งใจไปคิดโน่นคิดนี่หรือทำโน่นทำนี่ใจเต็มร้อยอยู่การเดินความสุขตัวก็จะเกิดขึ้นและทำให้ใจโปร่งเบาไม่ใช่เพราะเดินทำอย่างอื่นด้วยก็ได้อันนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยรักษาใจเราไม่ให้ทุกข์เพื่อทำให้เราไม่ซ้ำเติมตัวเอง ไม่ทําร้ายตัวเองเราไม่สามารถจะควบคุมเรียกร้องบังคับให้คนอื่นไม่ทํำร้ายตัวเราได้บานทีเขาทําร้ายด้วยคำพูดด้วยการดุ ด, ด่าหรือต่อว่าดา่าทอเราทําเราไม่ทําได้ยากนะที่จะเรียกร้องคาดหวังหรือ วงการไม่ให้ใครมาทำร้ายเราแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือไม่ทำร้ายตัวเองเริ่มตน้นในการไม่ทำร้ายใจของเราหรือไม่ปล่อยให้ใจซ้าเติมกายให้ทุกข์หนักเพราะถ้าเราไม่ทำงานต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ทำร้ายแค่จิตใจตัวเองเท่านั้นแต่ว่าทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยบงคนโกรธจัดนะก็เอากำปั้นนิฟาด ต่อยกับกำแพงหรือต่อยกระจกเนี่ยอันนี้ก็เรียกทำลายตัวเองหรือหนักกว่านั้นก็คือฆ่าตัวตายเนี่ยทั้งหมนี้เกิดจากการที่ซ้ำเติมตัวเองในทางจิตใจก่อนทำลายตัวเองที่ใจครับ <c oughs> เพราะว่าพอเจอพอมีอะไรมากระทบหรือพอเจออะไรก็ตามเนี่ยไม่สามารถสะใจไว้ได้ <c oughs> ข้าด่าเราก็แยกพออยู่แล้วนะยังทำลายตัวเองอีกด้วยการเก็บ เอาความโกรธมาเผาลนใจงั้นอย่างไรที่เราทําได้นะแล้วคนทําคืออยาดทําทร้ายตัวเองและวถ้าดีกว่านั้นก็คือหาประโยชน์จากความทุกข์หรือเห็นประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาเหนื่อยเวลาร้อนเก็อย่าก็อย่าหนื่ฟรีๆอย่าร้อนฟรีๆนะอันนี้หลวงพ่อคพูดเสมอนะอย่าทุกข์ฟรีๆต้องหาประโยชน์จากมันหรือเห็นประโยชน์ของมัน เช่นความร้อนความเหนื่อยความเมื่อยความละมันก็ทำให้มันก็เป็นเครื่องฝึกใจให้เราเข้มแข็งให้มีขันติความอดทนแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นตัวเป็นเหมือนกับครูดู ด, ดที่สอนให้เรานะรู้จักใช้สติใช้ปัญญาเพื่อพาจิตใจออกจากความทุกข์ได้ ถ้าความทุกข์ยากลําบากในระหว่างเดินธรรมยาตาเนี่ยมันสอนให้เรามีสติมากขึ้นมันกระตุ้นให้เรามีสมาธิมากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์จากความทุกข์ละแต่ว่าความทุกข์มันก็มาในหลายรูปแบบนะอาจจะเป็นการความพัดพรากสูญเสียของรักคนรักมันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันเกิดขึ้นแล้วหนึ่งก็อย่าซ้ําเติมตัวเอง ไดการจมอยู่ในความเศร้าจมอยู่ในความโกรธจมอยู่ในความอะไรเอาวอนจนไม่เป็นอันทําอะไรเสียของไปแล้วนะอย่าให้ใจมันเสียไปด้วยเพราะถ้าใจเสียแล้วอย่างอื่นก็จะเสียตามมาเสียงานเสียการเสียสุขภาพนะเสียสมรรถภาพเพราะหงุดหงิดโวยวายใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่พ่อแม่ ก็กลายเป็นว่าเสียตะพุตตะพือนเลยเสียแบบระเนระนาดเลยแต่ถ้าเราจักรักษาใจตัวเองไม่ให้ทุกข์เสียของแต่ใจไม่เสียแล้วก็ช้าประโยชน์จางมันเออมันมาสอนเรานะว่าให้รู้จักระมัดระวังอย่าประมาทมันมาสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงเลยทุกอย่างมาอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราว มันมาแล้วสักวันหนึ่งมันก็ไปอันนี้ก็คือความจริงนะที่เราหนีไม่พ้นแต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับนี่ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์จากความสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่าเสียฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆนะและต่อไปถ้าเราเสียมากกว่า น, นั้นเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์และแถมยังได้ ภูมิคุ้มกันความทุกข์สำหรับรับมือกับความทุกข์ที่รุนแรงหรือหนักหน่ายยิ่งกว่า น, นั้นมีผู้ชายคนนึงเป็นช่างไฟแล้วก็อุกเกิลปฏิเหตุไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยสายไฟแรงสูงมันก็ไปไปถูกเข้าที่ขาทั้งสองข้างก็ต้องตัดนะตัดขาทั้งสองข้างทิ้งกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต ทานไไม่พอนะไม่นานหลังจากนั้นเมียก็ทิ้งลองคิดดูนะคนเสียขาแล้วยังไม่พอยังต้องอเสียเมียอีกหลายคนก็คงสุดนี่นคือก่อสร้ากรรมสัตว์ทำไมโชคร้ายแบบนี้แต่คนที่เขาฉลาดนะเขาจะไม่รู้สึกแบบนั้นก็จะไม่ซ้ําเติมตัวเองแบบนั้น เขายังสามารถจะหาประโยชน์จากมันได้ด้วยมีคนถามผู้ชายคนนี้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่เมียทิ้งไปแต่ก็ตอบว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแม้แต่ขาสองข้างเนี่ยมันยังไม่อยู่กับผมเลยลจะให้เมีย อ, อยู่กับผมได้ยังไงเมียทิ้งแต่เขาไม่ทุกนะข์นะเพราะเขาได้บทเรียนนะ เขาได้เรียนรู้นะจากการที่สูญเสียขาว่าขานี่มันก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่เที่ยงมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดแม่มันจะมาพร้อมกับเราเกิดก็ตามเราเกิดมาพร้อมกับขาทั้งสองข้างแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดเหมือนกับตาทั้งสองข้างเหมือนกับแขนทั้งสองข้างเหมือนกับปอดมันก็หัวใจมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดแม่มัน จะเกิดพร้อมเราก็ตามตอนที้เขาเสียขาเนี่ยแทนที่เขาจะโอดครวนเศร้าโศกคล่ําครวนนะเขากลับได้เรียนระู้ว่าโอ้ขาที่ไม่ใช่ของเราเนะมันไม่เที่ยงเลยพอเขาได้คิดแบบนี้เนี่ยพอเมียทิ้งไปเขาก็ไม่ทุกข์ละเพราะว่าไอ้ที่มันที่มันน่าจะอยู่กับเขาเนี่ยยิ่งกว่านั้นเนี่ยคือขามันยังไม่อยู่เลย อันนี้เรารู้จักหาประโยชน์นะจากความทุกข์เจ็บป่วยมันก็สอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของสังขารมัามาเตือนใจให้เรารู้ว่าวันน่าจะหนั ก, กวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องเร่งเตรียมตัวเร่งเร่งตัดเตรียมทั้งทั้งกายทั้งใจจะไปเวลาผ่านเลยไปด้วประโยชน์ อันนี้ก็เรียกว่ารู้จักหาประโยชน์จากความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งหลายคนก็ได้ทำแล้วนะในระหว่างเดินธรรมยาราแต่ถ้ายังไม่ได้ทำยังไม่ได้คิดก็ให้ลองคิดทบทวนดูว่าในความทุกข์ที่เราผ่านมาเนี่ยในธรรมยาตรา ม, มีประโยชน์ถึงแม้มาถึงวันนี้เราถึงแม้ว่าตอนที่มันเกิดเนี่ยเรายังไม่เห็นนะแต่ว่าเราสามารถจะมองย้อนหลัง และสามารถที่จะเห็นประโยชน์ของมันในวันข้างหน้าได้อาจารย์ประมวลเนี่ยตอนที่ท่านไปเรียนที่อินเดียเนี่ยในผ้าเหลืองเป็นเวลาเกือบสิบปีเนี่ยท่านเล่าว่าเนี่ยมีความทุกข์มากหลายครั้งที่ร้องไห้เนียรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทาของคนอินเดียหรือกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ขมขื่นมากดูเหมือนจะคิดโดยซ้าว่าจะไม่กลับไปอินเดียอีกแต่เมื่อเวลาผ่านไป20ปี30สิปีมองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์ที่อินเดียความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเป็นความซาบซึ้งซาบซึ้งอยากจะกลับไปอินเดียกลับไปสถานศึกษาเดิมที่เคยเจ็บป่วยขมขื่น ไปเพื่อขอบคุณเพราะว่าท่านได้เห็นนะว่าประสบการณ์เลวร้ายในินเดียนี้ครั้งนั้นมีประโยชน์มากทำให้ท่านเป็นอย่างที่ท่านเป็นหรือว่าทำให้ได้เรียนรู้อะไรอย่างในชีวิตก็ mm hmm. เป็นไ่ได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเราย้อนกลับมานึกถึงหรือประมวลถึงประสบการณ์ในระหว่างเดินธรรมยถ า, าที่มี ความสึกแย่ๆความเจ็บปวดความท้อแท้ประดังประเดษสารพัดเรากลับเห็นประโยชน์ของมันเราเริ่มเห็นประโยชน์ของมันว่ามันมีนมส่วนทําให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นซึ่งโดยแต่เป็นเรื่องดีอยากจะย้านะว่าเนี่ยเส้นทางชีวิตของเราข้างหน้าเนี่ยมันก็ยัเต็มไปด้วยประสบารค์มากมาย แต่ไม่ว่าจะนักหนาแค่ไหนเนี่ยขอให้พยายามทำสองอย่างหนึ่งอย่าซ้ำเติมตัวเองอย่าเพิ่มทุกให้กับตัวเองสองเห็นประโยชน์หรือหาประโยชน์จากมันให้ได้แล้วชีวองเราเนี่ยมันจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายมากขึ้นเราจะมีพลังในการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมเราจะมีพลังในการทุบทิตัวเพื่อธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดลอ้อมอย่างที่ได้พูดกันตั้แต่วันแรกว่าธรรมยาตายแปลว่าเดินความหมายเนึ่งคือเดินเพื่อธรรมะและธรรมชาติต่อไปก็อาจจะไม่ใช่เพื่อธรรมชาติอย่างเดียวแต่เพื่อคนตกทุกข์ได้ยากเพื่อสังคมส่วนรวมอุปสรรคมันเยอะนะแต่ว่าถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้เราก็จะยังทําได้ต่อไปแล้วก็ยังมีความสุขด้วยไม่ใช่ทํำด้วยความทุกข์ เข้าถึงความสงบเย็นแล้วก็มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ด้วยอันนี้น่าจะเป็นจุดหมายชีวิตของเรามีประเด็นหนึ่งที่อยากจ ะ, ะพูดถึงนะก็คือว่าสองธรรมะที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงวันที่สีเนี่ยได้เดินผ่านเส้นทางที่เคยเดินเมื่อปีห้าหนึ่ง บางจุดก็เคยผ่านมาแล้วเมื่อปี55ก็ระลึกนึกถึงคนบางคนนะที่เคยร่วมเดินธรรมญาตตากับเราแล้วก็สูญเสียชีวิตปี51ในในร่วงที่เดินแถวนาศรีนวลก็ได้ทราบข่าวว่าภาพรูปหนึ่งซึ่งเป็นกเระยะนมิตรนะคือท่านวรเทพเสียชีวิตเดินมาเร็ง นะปี51เนี่ยคนที่มีส่วนในการในการช่วยจัดธรรมยาตราที่ชัยภูมิเนี่ยคนก็สำคัญนะเป็นประธานชมรานน้ำใสก็คือคุณอูดเจคก็เสียชีวิตแต่ไม่ใช่เสียชีวิตเสียชีวิตในปีนั้นตอนที่อยู่ที่วัดพระเจ้าองค์ตื่นนะถึงแม้เราจะไม่ได้ข้างแรมที่นั่นแต่ปี5เราปคข้างแรมก็นึกถึงคนหนึ่งนะซึ่งเป็นครูสอนโยคะคือเนาะ ก็เสียชีวิตในปีนั้นนะปี55แล้วจะเดินธรรมยาตาได้แค่เดือนเดียวเสยชีวเดือนธันวาไปเดือนนก็ทําให้ระลึกถึงหลายคนที่เดินธรรมยาตาแล้วก็จากโลกนี้ไปแล้วนะหลวงพ่อคําสิงและที่มองข้ามไคือหลวงพ่อคําเขียนบนเส้นทางธรรมยาตาเนี่ยนะ บางคนก็เดินให้ถึงมันก็ดมากับชีวิตของเรานะเราเดินไปเดินไปก็มีคนค่อยๆหายไปทีละคนสองคนเราโชคดีที่เดินมาถึงปลายทางค่ะที่หลายคนไม่มีโอกาสที่จะเดินมาถึงปลายทางได้เพราะว่าความจําเป็นพ่อป่วยแม่ป่วยหรือว่ามีภารกิจการงานก็เดินได้แค่สองสามวัน พวกเราโชคดีที่เดินมาถึงปลายทางถึงจุดหมายปลายทางได้แต่บางครังนะ้งในจุดหมายกับปลายทางมันก็ไม่ใช่คนละคนมันไม่ใช่อันเดียวกันนะจุดหมายชื่อตกับปลายทางชีวิตไม่เหมือนกันจุดหมายชื่อตคือสงบเย็นเป็นประโยชน์จุดหมายชื่อ บ, บางคนก็คือร่ํารวยมีเงินเป็นซีอเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่ปลายทางชื่ออีกเรื่องนะึงพวกเราที่ พวกเราเนี่ยทุกคนในสุดก็ต้องมาถึงปลายทางชีวิตจนะตบรรลุถึงจุดหมายชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่แต่ว่าในสุดปลายทางชีวิตก็ต้องมาถึงปลายทางชีวิตคืออะไรคือความตายให้เระลึกนึกไว้อยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายจะเดินธรรมยถ า, ายอีกกี่ครั้งก็ตามในสุดเราก็ต้องมาถึงปลายทางชีวิตและถ้ามี ครั้งต่อๆไปเราก็อาจจะไม่สามารถมาร่วมเดินได้เพรา ะ, ะเราหาชิดเราหาชิดไม่แล้วเนะมื่อรร้ถึงความตายเสมอเนี่ยก็ถามตัวเองว่าจากวันนั้นมาถึงเนี่ยเราพร้อมที่จะตายไหมเราสามารถจะยอมรับความตายได้หรือเปล่า คนส่วนใหญ่ไม่พร้อมไม่ยอมรับเพราะชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยได้ฝึกไม่เคยได้เตียนตัวแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ไม่ได้ใช้ชีวิตมีคุณค่าด้วยถ้าเราพยายามทําให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นธรรมยา่าตรานะทําให้การดำเนินชื่อเราเป็นธรรมยา่าตราทําสิ่งงีงามทําคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกแล้วขณะเดียวกันก็ฝึกใจอยู่เสมอให้ ให้พร้อมรับกับให้พร้อมเผชิญกับความทุกข์ถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้นะอย่างเช่ธรรมาว่าเนี่ยหนึ่งยอมหนึ่งไม่ซ้ำเติมตัวเองและสองหาประโยชน์จากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในช่วอองไร้ได้เนะี่ยถ้าเราทำอย่างนี้สม่าเสมอนะถึงเวลาเจอความตายซึ่งเป็น ซึ่งเป็นตัวแม่ของความทุกข์เป็นความทุกตัวแม่เลยหรือเป็นความทุกตัวพ่อเนี่ยมันทุกข์ที่สุดแล้วเราจะก้าวข้ามมันได้ความทุกข์ข้างหน้าเนี่ยเรือว่าความตายเนี่ยมันหนักหนาเยอะกับความทุกข์ที่เราเจอในระหว่างธรรมยถาตายเยอะ <S <S <ๆ>ความเจ็บป่วยก่อนที่เราจะสิ้นลมเนี่ยมันก็หนักหนากว่าที่เราต้องเจอในระหว่างธรรมแล้วก็หนังหนากว่าที่เราได้เจอในระหว่างที่เดินธรรมยถาตายเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเห็นรู้รับมือกับความทุกข์อย่างที่เกิดขึ้นในธรรมยถ า, าครั้งต่อไปหรือในชีวิตข้างหน้าได้ถึงเราความตายมาถึงเราก็ผ่านไปได้แถมยังเห็นประโนของมันก่อนที่เราจะหมดชดด้วยซ้ำก็ฝากเอาไว้นะว่าเราจะถ้าเราสามารถจะ ทำให้รรชองเราเนเป็นธรรมญาตราได้อย่างแท้จริงถึงเวลาที่เรามาถึงปลายทางชีวิตเราก็จะผ่านไปได้อย่างอย่างสงบด้วยเช่นกันก็ขอยุติด ก, การบรรยายครั้งสุดท้ายของธรรมญาตาครา้งที่17ดแต่เพียงเท่านี้กลับพักพร้อมกัน